เจอหน้าเธอกี่ครั้งฉันก็ยังต้องทนทำเหมือนไม่มีอะไรทัานที่ฉันนินอยากขอร้องให้เธอเปลี่ยนใจให้กลับมาเหมือนวันที่เราเคยรักกันมองหน้าเธอวันนี้ เธอเชิงมีความสุขไหมเหมือนตอนร่างกับฉันเขาที่เป็นคนใหม่คงเป็นผู้ชายในฝันเมื่อหมดความสำคัญฉันคงต้อง d a m s too. รักเธอ